มีเ ร, เรื่องก็กรนะู้ไปเรื่อยเราสร้างการเคื่อนไหวท่านพยายามในว่าจอยู่นิ่งๆให้สร้างการเคื่อไหว <Okay. S 1> าการเคื่อนไหวบางทีก็เป็นโดยธรรมชาติเป็นกีใช้คำผีใช้วัดของเราอันนก็อันี้ไม่ตางกันแล้วก็ทาไปตามที่ต้องทำ แ, แ, แต่ถ้าตอนไหนมันนิ่งันว่าส้างการเคลืนไหว นิ่งคืนนิ่งหรืถ้าเราเป็นต้างเลยก็รู้สึกถึงการเคลื่อนไหวที่เป็นธรรมชาติการได เ, เข้ากายได้ออกแบบเป็นธรรมชาติบางทีเราบางคนเป็นดูลงหายใจเป็นอย่างไม่เท่ตอนพูดก็ดูแต่ที่ทํำคือไปบังคับลมหายใจ <c oughs> ไปบังคับลมหายใจยาวลมหายใจสั้น สมหายใจยาวลมหายใจละเอียดแต่ตามดูตามกันนะดูตื่นรูน้ว่าตอนนี้หายใจยาวรู้ว่าตอนนี้หายใจตั้นรู้ว่าตอนนี้หายใจยากรู้ว่าตอนนี้หายใจละเอียดรูด้ว่าตอนนี้หยุตดตามรู้เนี่ยมันมสบายแต่ตามไปทำมันเหนื่อยทำแรกๆ ก, ก็ทําได้ทำเยอะๆก็เหนื่อย นี่คือเาก็ตั้งการเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆ ด, ดูการเค้ื่นไหวไปเรื่อยๆการเคลื่อนไหวของกายก็ของทีก็จะเผลอไปคิดนะเผลอไปคิดถัดปราไม่รู้ทัดเปลอไปคิุก็รู้ันไม่ต้องไปเอาเอาเหตุเอาผลเอาสุขเอาขิต เ, เ, เอาดีเอาไม่ดีนะมันจะเป็นความคิดเท่านั้น เราก็ดูไปเรื่อ ต้นกําหนดไหมนั่นก็เหมือนต้นกําหนดก็มันไม่าช่ท่าที่ทำเป็นประจาแต่แต่มันจะมีใส่เจตนากำหนดมากเกินไปถ้าใส่เจตนากําหนดมากเินไปเนีอยมันจะรู้สึกเป็นภาระแต่ถ้าทำสบายๆมันจะไม่เป็นภาระแต่ที่จริงในชีวิตจำบางทีเราก็ต้องมีความตั้งใจทำนะเราจะเดินไปรถเนี่ย ก็ต้องตั้งใจเดินใช่ไตั้งใจเดินถ้าจะตั้งใจเดินมันก็จะไม่ไปใช่ไหมแต่เราก็ตั้งใจเดินแล้วก็รู้แต่บางทีบางทีมันมีบางอย่างมากกว่าความตั้งใจอยากให้มันไป็นถโลเลวมันจะเดินแบบไปโรเวใช่ไมันจะที่จริงเดินเนี่ยก็เป็นภาระอยู่แล้วแต่ความอยากไม่เป็นถึงโลเลวเนี่ยยิ่งทำให้เราเหนื่อยใช่นหม มื่อเราขึ้นเขาอยากถึ้นเขาเราิ่งยิ่งเดินเร็วก็ยิ่งเหนื่อยแต่ถ้าเดินไปเรื่อยเหนื่อยน้อยกว่ามีใครเป็นถามแต่รายงานคนเป็อาจารย์ครับกรณี้ที่เราตั้งใจกรณีที่เราตั้งใจหลบหนูตัวใหญ่เนี่ยไปก่อนเนี่ยเพราะรู้ว่าไอ้หนังม้วนเดิมเนี่ยกระทบ ก็ได้ไม่ผิดให้เราเคยใกล้เราแบบประเมินแล้วยังไม่ไหวก็ก็ก็หลบมาตร้างสติก่อนสลมาตั à, ้งสติก่อนก็ไม่ผิดก่อคือมันเหมือนมีความจริงนะแต่ว่ามันไม่ไหวจริงจริงอ่ะน่แหละไม่ไหวจริงจงก็สมามาตั้งสติก่อนไม่ไม่เป็นไรไม่เป็นไไม่นอ่ะเป็น ตัวไหนที่เรารู้สึกว่าอ พ, อพอพอปักพอเวียงพอไหวก็ลองลองดูมันลองมเหมือนเหมือน น, นักกีฬานะเมื่อกี้เราไปแข่งกับทีมชาตนะิเลยเราปเป็นมือสมัครเล่นก็แพ้ทุกท่าน <c oughs> ก็หมดกำลังใจก็ต้องแข่งกับปิดมือใกล้เคียงกันก้ะหน่อยมีแพ้มีชนะก็ไปค่อยพัฒนาไปเรื่อย นี่ก็เหมือนกันมันก็มีตัวที่มันมันหยากมันแรงนะแต่ก็ลองเมื่อกี้ก็ลองแบบนี้เลยบางทีเมืทีเราคิดว่าไม่ไหวเลยดกไปเดี๋ยวทีเดียวเนี่ยมันก็มีเป็นการเรียนรู้เมือลองดูฉันลองรูสักตั้งหนึ่งผมว่าเป็นลองสักตั้งและตึ้งนาทีไม่ไหวละอ่านเปลี่ยนคือมันค่อยๆค่อยๆค่อยๆเข้าไปในเขตพื้นที่ที่เรา ที่เรารู้สึกว่าไม่ไหวนะเป็นลองดูและวนะไม่ไหวให้ออกมาเห็นไหมเหมือนบางอย่างบางอย่างเราก็รู้เราเคยทำไม่ได้แต่บางทีก็ต้องระวังว่ามันจะเป็นความความเชื่อความเชื่อว่าทำไม่ได้มันจะถูกเราไว้ลองกระทบเม่อไหร่ก็ลงปัจจั่ไหมแต่บางทีก็อย่าปิด อย่าเพิ่นไปกวัทั้งหมดบางคณะนะบมงอย่างไม่กระทบเนี่ยก็อย่าเพิ่ไปกังวลนะเขาบอกว่าอย่างคนเลี้ยช้าเนี่ยแต่ก่อนตอนที่ช้างตอนเด็กตอนเล็กๆนะเขาก็ผูกไว้ที่ที่แบบเตาเล็กๆนะช้างตอนตอนเล็กๆมันพยายามดึงแตมันก็ดึงเท่าไหร่ก็ไม่อยู่ตอนนี้เตาพอมันโตขึ้นมาเร e ื <suspended> ่อยๆมันก an ็ม <cera> ันก็จํำว่า มันดึงไม่สุดหรอกมันโตขึ้นมาเจตนามันเยอะมันก็เขาก็ยังผูกมันที่ต่าเดิมนั่นแะแต่ถ้าแล้วนั้นมันจะไม่มันจะไม่ดึงแล้วเพราะมันความรู้สึกความเชื่อความคิดในเขามันเคยดึงแล้วมันไม่หนุนเขาก็จะเชื่อนะเดื่อไปบางทีบางอย่างถ้าฝึกไปเรื่อยๆก็เดือนหนึ่งปีหนึ่งก็ลองก็หน่อยลองไปไม่ไหวก็ค่อยว่ากันไม่ไหวใชนไห แต่ก็อย่าไปคิดไปเที่ยวจะไม่ไหวตลอดไปก็เนี่ยมันจะเป็นเหมือนช้างที่สุดท้ายก็จ ะ, จะปลูกไว้ตลอดไม่ยอมไปไหนไทรับทบี่จะมีมีวิิยาอันแรงกล้าในการปฏิบัติแต่พระอาจารย์เป็นกำลังใจด้วยค่ะเพราะว่าอะไรศรัทธานี่มีแน่นอนแต่ว่า รู้สึกว่าอย่างยันด้านวิทยาเวลาที่อยู่ที่บ้านเลยก็ไม่รู้นะแต่ละคนจะเหมือนกันหรืป่าแต่มาก็เมื่อกี้ฉัมารู้สึกว่าพอได้ยินได้ฟังครูบาอาจารย์ท่านเทพได้ฟังคําสอนหรือได้อ่านหรือมารู้สึกมันเป็นกำลังใจเป็นเพิ่มความเขี่ยนสำหรับเรามาก็คิดว่าอย่าง ปกติอย like so ่างที่วัดมันก็อย่างว่าตอนวัดช้าตอนว่าเย็นมีการปั่นทำอะไรนยมันก็เพิ่มเติมพลังงานเราทุกวันก็ทําให้เรามีความเกลิทุกวันเดี๋ยวก็อาจจะลองดูก็ได้ลองทําปั่นทำทุกวันนะะแต่ไมต้องว่ายาวนานนะวันละแท็กตองแท็กอะไรแบบนี้ก็พออาจจะเย็นวิ่งบางทีมันเปิดชั้นวันมันจะมันจะ เปิดไปแบบสัต <Dartmouth> ว์ก <harmed> <the real bad> ็ว่าเปิดแล้วไม่ได้ใส่ใจแล้วเราเปิดแล้วเราตั้งใจฟังมันจะเหมือนรู้สึกมันมันได้ปลอมใจปลัมใจไารภาวนาหรือคนอื่นมีเทคนิคกันอื่นมีไหมทำไงเราถนงมีความเพียนมากขึ้นมีคุณแจธา ที่พี่จะเป็นอีไรให้ที่พี่มันเป็นหน้าที่เลยอืหลังตากไปถมาปุ๊บก็าบางทีจะขี้เกียจแต่ก็แบบหน้าที่ของเราก็ลุกขึ้นมาแล้วก็ขอเตรียมแล้วก็ยกมือไปเลยแต่งหญิงก็แบบนี้ก็ก็ดี เรียนตนเองขนาดเขียนแล้วก็ยังได้แค่ห้าสิบเอร์เซ็เหมือนสอบไม่ผ่านข้อเขียนมันขึ้ตรงไห น, เ ร, เ, หนไหเราเขียนไหมเวเขียนมันขึ้นไหมเราไปอ่านมันขึ้นไหมก <c oughs> ็จำ <c oughs> จําว่าหน <c oughs> ึ่งสองสามสี่เนี่ยเราจะฝืนปฏิบัติตรงนี้นะคะแต่พอกลับมาประเมินตัวเองอะ่ะสอบไม่ผ่านตั้งใจเขียนแต่ไม่ตั้งใจสอบก็ที่จริงก็ ที่จริงเรื่องเรื่องการทําเป็นเป็นกิจวิทยาเป็นหน้าที่นี่ก็ดีนะมันจริงว่าคิดเกียนก็ทําขยันก็ทำใช่ไหมมันก็มันก็ตั้งใจว่าสมมติวันหนึ่งตอนเช้าตอนเย็น่แต่ปฏิบัติในรูปแบบไม่ได้สักช่วงแล้วสมมติคึ้นชั่วโมงนะ็ดเหนื่อยจะคีดเกียนอะไรก็ก็ทำมันก็จะเป็นวิสัยวิสัยตอนนี้ยมันก็จะทําให้เราเสริมกล้ามนื้อ มีความคุ้นเคยนะแต่ก็แต่ก็จะเป็นแบบแต่บางคนถ้าวางใจไม่ไม่ถูกเท่าไหร่ก็ตัดแต่ว่าทําให้มันจบจบไป <c oughs> แต่เราทําเพื่อให้เห็นเห็นอารมณ์้วนะนเช่นตอนนี้มันขี้เกียจทําไปเรื่อยอืไม่ติดไม่ติดตั้งเป้าแต่ว่าเมื่อไหร่จะตามสิบนาทีดูแต่ละท่านนะแต่ละท่านนะมันก็ได้เห็นถ้าภาวะอารมณ์มันเปลี่ยนไป อิ่มไปเรื่อยๆนะน่ะถ้าภาวนาเนี่ยจะได้ปัญญาไม่ใช่ได้แค่นิสัยนะแต่ได้สติได้ปัญญาเก่นกว่าไม่เทีอืมในขณะที่ภาวนาไปด้วยหรือที่ทีนิสัยสัยหลวงปู่ที่นั่งทานนะฮะก็จะแนะนำให้เขียนสติเตือนไว้นะตามที่ต่างๆหรือท่านจะมีระพันตึ้ <c oughs> ตัวนี้ก็มีเลยนะแอปเคชั่นนะเสียงละทัน <c oughs> ดังทุกกี่นาทีกี่ชังโมงก็แล้วตั้งไปก็ทำให้เราอันก็คือพอมีละทาันเขาให้หยุดทุกขีใจตั้งขมาดูลมหายใจสักนาทีนะึ่งแล้วค่อยไปทำอย่างอื่นอันนี้ก็จะช่วยได้นะอย่างนก็ลองหาดูว่าอะไรจะเป็นการเตือนสติเรา ติดข้าง้าติดตรงหน้าประตูทางออกบ้านติดตู้งเงยนเ็นอะไรจยเปิดไปหากินขนมนะติดตอนีะเข้าห้องน้าเรียกจะติดกลับมารู้สึว่าบางครั้งการมีเพื่อ น, นอะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็น่งที่ดีเหมือนกันาบางครั้งจะขี้เกียจแต่ว่ามันทำอะไรอย่างเงี้าางงยก็เหมือน ต้องหาเพื่อ น, นหาเพื่น อ, อนอนอยู่คอร์ส พ, พอมาอยู่วันนี้นะจะมี้ำลังข ย, ยันเมื่อเพิ่มขึ้น <c oughs> ถึงน่วงนอนก็จะก็จะแบบู้มากกว่านะถ้าภาวนาคนเดียวก็ก็อาจะอาจจะเหมือนยากกว่านะหรือแต่ที่จริงผูตง้ตรงๆก็มันเรามีเพื่อนที่เป็นคนก็ ได้แค่บังช่วงบางเวลาเนี่ยมันก็เป็นที่ขึ้นเล้ระดับหนึ่งแต่แต่ทําทยัางไงให้เราทนะั้มีเพื่อนก็ได้อยู่กับคนเดียวก็ได้ด้วยแต่นี้จะเติมไป้งเติมไปคัามคู่แต่การมีเพื่อนภาวนาไปด้วยนี่ก็จะคล้ายๆมันไม่ใช่หนึ่งบวกหนึ่งนะ่มันเหมือนช่วยกันนะครัเหมือนคูณมนไปยกกำลังไปให้เราแบบมีความเพียรแต่ถ้าเพื่อนไม่ดีนี่ยก็ ก็้นกันเดียวไหลก็มีถามคำถามคองพัจจัี่พัจจัยให้ดูสไลด์ที่เป็นเรื่องไหนเรื่องเรื่องเงี้ยแบบว่าเหมือนกับว่ามันมันต้องเข้าไปในอารมณ์แล้วก็มันมันก็มันตาซึมใช่ไหมคะทั้งที่เราก็รู้สึกแต่ว่าขึ้นเราออก ทำยังไงให้มันออกมาจากตรงไหนคือรู้สึดตัวยังไงค่ะให้มันออกมาจากตรงไหนมันเร็วมากเนี่นะคะแล้วถ้าเผื่อส่วนว่าเราคนเรามันจะต้องมีความรู้สึกแต่ถ้าแบบว่าเราเราไม่ใช่จิตใจด้านชาแล้วแล้วจะเอายังไง ก็รู้สึกนั่นแหละแต่เห็นว่าถ้าถ้ า, ถาก็อย่างที่ว่ามันมีหลายด้ดับถ้าบางอย่างบางอามเราดูได้ก็ดูไปบางบางอารมเราดูไม่ได้เราก็มันตั้งสติตั้งติเพิ่ม<ๆ>ขึ้นอ่าก็มาตั้งสติใหม่ไอ้ที่แพ้ไปแล้วออกไม่น่าจะชั่งของมันเมื่อกี้นะไม่เป็นเมื่อกี้แต่ตอนนี้เราก็มาตั้งสติอารมณใหม่เราก็ทํำนะแต่ที่ให้ดูทมืี้ เมืม่อกี้ก็เป็นเหมือนการซ้อมนโยมซ้อมเพราะวันหนึ่งเราจะเจอเรื่องใกล้ๆแบบนี้แม่เราป่วยหรือเราตายใกล้ต่ตายมันจะมีอารมณ์พวกนั้นที่มันแรงแต่เราไม่เคยซ้อมมาก่อนอ่ะมันก็จะยากการอะไรเนี้ยเมีการเห็นอารมณ์คิดเตือนใจที่อะไรต่างก็คือเราซ้อมไว้ก่อนซ้อมไว้แต่ก็ไม่ใด้บอกว่า เราต้องเฉยเฉยต้องไม่มีอารมณ์เนาะเห็นแต่เห็นแล้วทําไงเราถึงจะไม่เป็นแต่ไม่ใช่บอกว่าไม่เป็นนะแต่คือการทำเหตุไม่ใช่ท่บอกว่าไม่ให้เราจะบอกว่าเราจะไม่เป็นอะไรแบบอะไรตอนเฉยเฉยเราจะไม่รู้สึกอะไรแต่สิ่งสําคัญคือการทำเหตุเหตุคืออะไรเหตุก็คือการสร้างความรู้สึกตัวเหตุตอนนี้แหละจะทําให้เราไม่เป็น เมื่อมันเกิดขึ้นในอนาคตหรือเหตุตัวเนี้ยจะทําให้เราไม่เป็นไม่เป็นอะไรไม่ไปวิตตบร่วมหน้าถ้าเป็นตอนในอนาคตบางกีเราทุกขั้งแต่ตอนที่ไม่เป็นมีมบางทีไปนหนาหมอก็อสงสัยว่าจะเป็นอะไรก็ทุกกระแสตอนสงสัยนัสส่นแหละ อ, อคกูว่าจารเนี่ยมาอยู่กับปัจจุบันเอยู่ปัจจุบันน้อพ่อ เทียนก็เคยเล่าให้ฟ so ังนะทำให้ผมพ่อความเคียนและสุก่นมันมีผู้บรรจารไปถามใช่หรือเป่าเกลือเค็มไหมเค็มไหมเนีเค็มคือปัญญาที่เราจำว่ามันเค็มแล้วก็คิดต่อว่ามันเค็มแต่ปัจจุบันขณะนี้เคือมันเค็มไหมเค็มคือการ ลกับเกลือเนะี่ยมันถึงเป็นความเค็มปัจจุบันจริงๆตอนเะนี่ยมันไม่ได้เค็มใช่ไหมแต่มื่อมันมาสัมผัสกันมันถึงเค็มใช่ไหมบางทีทุกตอนนี้มันทุกไหมยไม่มีทุกเมื่ออะไรที่มันเหตุที่เกิดทุกเราไม่ทันนะมันถึงทุกใช่ไหมบางอย่างเราก็ทุกเพราะความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตายแต่กินมันก็ยังไม่ได้เกิดใช่ไหมกลัวความพลาดพลาดสูญเสียงนะ นันพอเรากลับมาอยู่กัปัจจุบันที่จริงมันอาจจะทุบนะแต่ก็ทุบกพิสั้นตอนที่ไม่ทุบมันมีเยอะกว่าเหมือนตอนเข็มอ่ะกินเข็มก็สันนิดหนึะงคืนก็ไปแต่ตอนเข็ดก็หายแลไปใช่ไหมกินเผ็ขนาดไหนก็เผ็ดนะถ้าพักเผ็ดก็หายไปก็เนี่ยร่างกายเราที่จริงก็ปรับตัวได้อจิตใจเองก็เหมือนกันนะ ถ้าเราอยู่กับมันสักพักหนึ่งมันจะปักตัวได้นันก็กลัวก็รู้ว่ากลัวตอนนี้นะแต่ก็เดี็กต้องไปวิตกบุมแต่งเป็นเลือดเป็น เ, เนลา่นะมันจะทําให้เราทุกข์ใจรุมหน้าก <c oughs> ารพาวนาคือเรารู้ว่าใจเราวิตกรู้ว่าใจมันกลัวรู้ว่าใจประมวลเราต้อมาอยู่กับปัจจุบันก่อนปัจจุบันมันไม่ได้วิตกไม่ ปัจจุบันยังไม่เกิดแล้วก็อยู่ตรงนี้หรือถ้าบางอย่างมันก็เป็นสิ่งจริง น, เนะเช่นร่างกายมันปวดร่างกายเจ็บมันก็เป็นเรื่องจริง น, นะแต่ถ้าเราลดวความวิตกก็ลดวความทุกข์ใจด้วยเนะมันปวดก็ปวดแต่กายนะความทุกข์ที่ใจเราไปยึดก็เป็นผู้ปวดนะมันก็จะหายไปนะ ทพานัครูบาอาจารย์ที่ท่านอยู่กับความปวดได้อย่างที่ที่เราที่ท่านไม่อดควรวหรือว่าไม่ได้ทุกข์ใจเพราะว่าเนี่ยท่านแยกแล้วนี่ความปวดเป็นเรื่องของกายความทุกขเป็นเรื่องของใจปวดบางทีปวดมากอย่างหลวงพ่อคงเคียนนะท่านเป็นมะเร็งครั้งแรกปีสี่เก้ามันในตับอ่อนมันมีก้อนเนื้อปวดท้องมากท่านก็รู้ตัดอิดอะไรเนาะปวดข น, นาดเป็นนมอ่ะ แต่ก็ไมได้ทุกใจนะหมายถึงว่าไม่ได้แบบแบบแย่นี่นะแต่คือปวดขนาดเป็นลมมันทนปวดได้ขนาดนั้นนะอืมแต่ไม่ใช่ว่าแบบมันจะอายนะมันมีเหตุก็ยังปวดอยู่นะแต่แต่ความทุกข์ใจกพรความปวดไม่มีนะมันก็จะเห็นตรงนั้นแต่ถ้าเราไม่ได้ทําแบบธรรมะปิดกดข่มอารมณ์หรือว่าแย่ แยกแบบเข้าไปอยู่ในสมาธิไปเลยยังไงมันก็ต้องรับรู้ความปวดแต่การฝึกสติจะทําให้เราแยกกายแยกใจเห็นเห็นความปวดใ น, นึ่งของกายใจไม่มูปก็ความปวดอันนี้คือสิ่งที่เราคิดฝึกวันนี้เตรียมไว้แต่ตรงนี้บางทีเราก็ไม่รู้หรอกว่าเราทําได้จริงหรือเปล่าถ้ามั น, นยังไม่เสร็จจริจริงนะแต่เราต้องซองไว้ก่อนซองไว้ก่อน ทำไม่ได้ตอนนั้นหาก็ไม่มีอะไรยังมีเวลาทำตอนที่มันปวดเนี่ยแหละก็ทำ <c oughs> เป็นเวลาทั้งซ้องทั้งทำ ได้ยินน่อยกับแนวนี้ค่ะเอามาร่วมกันได้ยังไงบ้างขะอยากให้พระอาจารย์แนะนำนะค่ะในวันนี้โยมคิดว่ามันร่วมกันได้ไหมคิดเราเองนะค ะ, ะคิดว่าถ้าเ อ, อเวลาเราปฏิบัติกิจวัตรประจําวันที่เราเดินไปไหนอะไรแบบเนี้ยแนวนี้จะสะดวกกว่าแต่ถ้าสมมติว่าเรามีเวลาทําอยู่ที่บ้านแนวนั้นก็จะ ทำความคิดอะไรมากกว่าก็ไม่ไม่รู้ว่ายงคิดถูกหรือเปล่าเราไม่รู้ว่าควรจะเอามาร่วมกันหรือเปล่าด้วยก็อันนี้แต่จริงอย่างไอ้มาพูดอย่างที่คนไม่เคยฝึกแบบนอนนะแต่มาว่าถ้าเป็นวิธีถ้าฝึกเพื่อให้เกิดสติมันเข้าไปด้วยกันได้ครั้งนา้เน้นไม่ให้เกิดสติ จะเกิดการรู้ตัวไม่ว่าจะรู้ตัวผ่านการเดินหรือผ่านการของยุคผ่านในไรกแล้แต่อันนี้ก็มันก็ไปด้วยกันนะก็ะมันเป็นจริงตามธรรมชาติของเราแต่ต้องเข้าใจด้วยว่าอันนี้ไม่ได้พูดว่าอันนั้นนะแต่ก็ต้องเข้าใจว่าการหนอการกําหนดที่เป็นบริกรรมนั่นคือเราเอาสมมติไปเปีเตะท้ออีกทีหนึ่งแต่การอย่างผมว่าที่เน่าจะเน้นการรู้เฉยเฉยก็คือ รูแบบไม่ต้องทค้คำพูดไม่ต้องใช้สมมุติดูซื่อๆไปเลยมันก็คล้ายๆเหมือนมันกับขนมที่เราก็กินขนมไปเลยไม่ต้องผ่านการปอกห่อขนมอีกทีนึงที่จริงการบริกรรมพุทสายที่มาเข้าใจว่าสุดท้ายครูบัอาจารย์ต้องการให้ก่อนเลิกไปถึงให้ทายไม่ว่าจะพุทธโทหรือหน่ออะไรต่างพอจนจุดหนึ่งท่านก็ต้องให้วางวางคาบริกรรมเหมือนกัน ถ้าลูโยมลองฝึกมนเรื่องนี้แนะนําแบบจะดูท้องคลองยุ่ก็ได้แต่ลองฝึกแบบไม่ต้องบริกรรมไปถึงก็ดูไปดูไปหรือคิดก็รู้ว่าคิดไม่ต้องไปสอนบริกรรมถ้าวิธีเหลนะี้จะจะช่วยให้ไม่คล้ายเหมือนเราลัดขั้นตอนถอนสมุสติไปได้ง่ายขึ้นไม่ได้เร็วขึ้นนะเพราะที่จริง สุดท้ายแล้วก็ต้องมาผ่อนเหมือนเดิมหรืออีกอย่างหนึ่งก็มี่แล้วแต่คนนะเนี่ยมันก็เคยที่เคยกําหนดแบบเดินแบบช้าแต่เอามารู้สึกตัวเองนะค่อนข้างสุดขัดในการเดินแบบนั้นไม่ค่อยเป็นธรรมชาติเราก็รู้สึกเดินธรมรมาดาสบายดีแต่ถ้าบางคนรู้สึกเดินแบบนั้นรู้สึกก็ไม่ได้หรือด่าใดมากก็จะฝึกแบบนั้นก็ได้แต่ลองดูว่า ที่จิงถ้าเราบริกรรมให้น้อยกําหนดให้น้อยเนะี่ยมันจะเหมือ น, นไล้ายมันจะเห็นสภาวะที่มันเป็นปัจจุบันจริงๆนะบริกรรมหรือว่าการเรียกเนะี่ยมันเป็นท้อในทีหนึ่งมันไม่ใช่ปัจจุบันท้องคองแล้วนะเมื่อกี้เป็นคลองแต่เมื่อกี้ที่พูดก็ท้องคองเนะี่ยมันจะ็อีกท้ออีกทีหนึ่อ <c oughs> คิดไปแล้วนะเป็นที่คิดเมื่อกี้อันหนึง่ง แต่ที่พูดก็คิดนะ่ะมันซ้อนอีกทีหนึ่งอันซ้อนไปอ่าก็ที่จริงก็เป็นการเรียกเป็นการเตือนสติะเป็นการเตือนสติก็เขาใจได้แต่ถ้าลองค่อ ย, อยลๆลดตงไปมาว่าไม่มีใครรู้หรอกว่าเราเราต้องพูดหรือเปล่าแต่เราจะรู้ตัวว่าเรารู้ตัวหรือเปล่าสําคัญกว่า รู้ตัวทรือป่าว่าเรารู้ตัวว่าขระดังทำอะไรหรือรู้ตัวหรือเปล่าว่าใจเกิดไปคิดเ น, นี่ยเนนี้สําคัญที่สุดเลยเราเพราะที่จริงไม่ใว่าที่เขามาเขาก็ไม่ได้พูดหนอเขาพูดเขอะไรก็ไม่รู้นะใช่ไมันก็เป็นมันก็เป็นสมมติที่เอามาใช้อพระจีนพระพุทธเจ้าท่า น, นก็แค่สอนว่าอย่างนี้มหาสติ ป, ปัญญาคืออก Spring spring. To to เดินก็ให้มีสติรู้ว่าเดินนั่งก็มีสติรู What ้ว่านั <you> ่งนอนก็รู้รู้ว่านอนอ่หรือว่ายืนก็มีสติรู้ว่ายืนเนี่ยนะหายใจเข้าก็รู้หายใจเข้าหายใจออกก็รู้ว่าหายใจออกถ้าก็ให้รู้แบบนั้นแต่บางทีคูบาอาจารย์ให้มีเทคนิคเอย่างผมก็เทียนนั่นก็เป็นเทคนิคนะครูบาอาจารย์ท่านบอกเลยคือแขนเข้ารู้สึกตัวเหยียดแกนออกรู้สึกตัว มันก็เป็นอุบายไม่มีติดสี่ท่าข้นที่จริงก็ไม่ใช่สาระสําคัญนะเป็นแค่อุบายบางทีบางคนก็ไม่เทียนกันติดสี่ท่าหรือติดห้าท่าไม่ไม่ตาละเลยถ้าคนถ้าคนยังติดแค่ตรงเนี้ยเลยไม่เข้าใจหลวงพ่เทียนไม่เข้าใจพระเจ้ า, าจริงไหมเอเป็แค่อบายอืมอบายติดใจหรือว่า ทำช้าทำเร็วแบบไหนเราจะรู้ตัวเองว่าวปราทำแบบไหนโยมไปดูตัวเองว่าถ้าทำอะไรแล้ว ร, ร, รู้ตัวเรามีสติเรารู้ทันความคิดรู้ทันอารมณ์ได้ก็วิธีนั้นก็ไช้ได้ไม่มีวิธีไหนดีที่สุดถูกที่สุดสาหรับทุกคนนะแต่เป็นวิธีที่ถ้าเรารู้สึกว่าเราทำแล้ว มันเกิความรู้ตัวดู้เท่าทันกายรู้เท่าทาันใจแต่เรื่อยๆได้บ่อยๆนนั่นคือวิธีที่อาจจะเหมาะกับจิตของเราเหมาะกับจิตของเราอาจจะไม่หมาะจิตของเพื่อนก็ได้นะนั้นเราก็อยากทําตามเพื่อนให้ดูให้ดูที่ตัวเองให้เชื่อมั่นที่ที่ผลแล้วก็การทําของเราเองนะก็จะมีความมั่นใจตัวเองอืมก็คี่ก็ตอบแบบ ตางความรู้สึกเนาะขอขอนุญาตขอเล่าประสบการณ์นหดนึงแล้วกันคือผมพองก็ฝึกพองน้อยยุบนอนมา่อก่อนแล้วก็ฝึกไปก็ใช้เวลาอยู่พักหนึ่งจนจนกระทั่ง ร, รวมรกัรฝึกอินเดียบทย่อยด้วยจนกระทั่งมีสติรู้ระหว่างวันรู้รู้การเคลื่อนไหว เราจะารู้คือต้องฝึกไปเหตุ้องน้อยยุบหนอมันจะต้องภาวนาไปเรื่อยๆจนกระทั่งเราเราเราเราคุ้นเคยกับมันมีสติเห็นเห็นการเห็นเห็นการเคลื่อนไหวเห็นเพ็นเห็นที่ยาปวดต่างๆเราพอเราคุ้นเคยกับมันแล้วเนี่ยมเราเราเราจะไม่จะไม่ต้องภาวนาอีกแล้วแล้วเราก็รู้รู้รู้ไปเรื่อยๆกันก็เหมือนกับวิธีนี้ที่ฝึกสติแบบขั้นพอเขียนก็คือรู้อย่างเดียวรู้ไปเรื่อยๆแต่ถ้าเราฝึกป้องยุบแล้วเรายัง เ, เพง่งเปดดูพองยุกเนี่ยบางทีใช่ไหพอมาฝึกแนวนี้ปุ๊บเนี่ยมันกับล้วก็จะมาเพ่งดูขยับมือเคลื่อนไหวต่างต่างมันจะไปเพ่งอยูตลอดเวลาซึ่งแทนนี้เราจะไปรู้เฉยเฉยมันเราติดกันกา ร, การอพองยุกมาก่อนงั้นถ้าถ้าจะฝึกแนวนี้นต่อก็คือต้องพยายามรู้รู้อย่างเดียวรู้เชฉยเฉยแล้วที่งพองยุกไปให้เร็วที่สุด อีดียาวหมดย่อยก็จะต้องก็ใช้แนวนี้มาฝึกทีดียาวหมดย่อยต่อด้วยได้เหมือนกันทีเดียวเขามีฝึก็าก่อาอะยกหนอเหยียดหนอคูหนอเดินหนอนต่างๆเนี้ยแล้วก็ฝึกไปไเรื่อยเรื่อยื่อต้นที่เรายังยังยังสติเรายังอ่อนอยู่แล้ก็ฝึกไปไเรนะื่อยเรื่อมื่อไหรสติเราเข้งแข็งขึ้นเนี้ยกรรมยกรรมพวกนี้มันจะทิ้งเองหรือถ้าคุณจะมาฝึกแนวนี้เลยคุณก็มามาพยายาม รู้อย่างเดียวว่าพองถึงเวล า, าจริงๆแล้วพองยุบนี่มันมันจะไม่เราจะเห็นเราจะเห็นแค่มันพองไงแค่มันยุบรู้แค่นั้นว่ามันพองรู้แค่นั้นว่ามันยุบอย่างอื่เราจะไม่รู้อะไรละทำไมต้องภาวนาอะไรอย่างนี้น